เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่ายธรรมฝ่ายกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่ส7บเจ็กรกดาคมพุทธศักราช 2,545 ้าห้าเป็นวันพระเป็นวันธรรมมัสวนะเป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา การปกิบัติที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนั่นก็คือการทำบุญทำทานรักษาศีลังเฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์การกระทำสิ่งเหล่านี้คือการทำบุญทำทานรักษาศีลบำเทฟังธรรมนี้ไม่ใช่เป็นการล้างบา บาปนี้เป็นสิ่งที่ล้างไม่ได้บาปที่เราได้ทำไปแล้วย่อมมีผลตามมาไม่ช้าก็เร็วการทําบุญทาทานการรักษาศีล น, นี้ไม่ใช่เป็นการชำระบาปแต่เป็นการชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดจิตใจสกปรกหรือมีมนทินแปดเปืน้นด้วย กลสตัณหาทั้งหลายได้แก่ความโลภความโกรธความหลงได้แก่กามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาคือความอยากในการความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่สร้างความแปดเอื้อนสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจสร้างความทุกข์ สร้างความเสื่อมเสียให้กับใจถ้าใจต้องการความสะอาดหมดจดก็ต้องชำระสิ่งเหล่านี้นให้หมดไปถ้าใจสะอาดหมดจดแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขมีความอิ่มมีความพอมีความปิติดังนั้นการทำบุญทำบุศลจึงไม่ใช่เป็นการชำระบาปแต่เป็นการชำระใจ บาปนั่นเราชำระไม่ได้เพราะบาปนั่นเราทำไปแล้วมันมันมันสำเร็จไปแล้วมันก็มีแต่ผลที่จะตามมาเหมือนกับแก้วที่มันแตกไปแล้วแตกแก้วที่แตกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอากลับมาต่อกันให้เป็นเหมือนแก้วใบเดิมได้มันแตกไปแล้วมันเสียหายแล้วฉันใด การกระทำบาป ก, การกระทำความเชื่อทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีหรือทางใจก็ดีเมื่อทำไปแล้วมันก็ส่งผลขึ้นมาผลที่ส่งมานั้นก็มีอยู่สองลักษณะสลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือผลที่ปรากฏขึ้นในใจเมื่อทำไปแล้วก็จะเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจประการที่สอง คือผลที่เกิดจากภายนอกเกิดจากบุคคลอื่นที่เขาจะตอบสนองหรือตอบแทนสิ่งที่เราทำกับเขาไปเราสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาย่อมสร้างความอาฆาตพยาบาทสร้างเวรสร้างกรรมไว้เขายอ่อมเมื่อเขามีโอกาสเขาย่อมจะตอบสนองตอบแทนบาปกรรมที่เราทำกับเขา การตอบแทนหรือการสนองตอบของบาปนี้ที่เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือจะเกิดขึ้นได้อย่างช้าไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดขึ้นในชาตินี้เลยแต่จะตามไปในภพหน้าชาติหน้าหรือบาปที่เราเคยทำไว้แล้วในอดีตยังไม่ได้มีโอกาส สแสดงผลก็ตามมาปรากฏผลขึ้นในชาตินี้ก็เป็นได้บางครัง้งบางคราวเรายัางแปลกใจว่าชีวิตของเราเราก็มีแต่ทํำแต่ความดีแต่ทําไมเราจึงต้องรับผลกรรมต่างๆนานาที่เราไม่คิดว่าเราได้มาทําไว้เลยแต่ความจริงแล้วเราเคยทําไว้แล้วในอดีตเพียงแต่ว่าเราจําไม่ได้ เท่านั้นเองแต่ผลของกรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับเราในชาตินี้นั้นถ้าเราไม่ได้สร้างกรรมในชาตินี้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมเกรรม่าเป็นเวนกรกก่าที่ได้สร้างไว้ในอดีตเมื่อถึงเวลาเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเขาก็แสดงผลของเขาขึ้นมานี่แหละเรื่องของบาปกรรมหรือแม้กระทั่งบุญกุศลก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่เราหนีผลของของการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำดีย่อมได้ดีทำาชั่วย่อมได้ชั่วนี่เป็นหลักตายตัวเพียงแต่ว่าหรือจะช้าจะเร็วท่านั้นผลประการที่สามที่จะปรากฏขึ้นมาจากการกระทำบาปของเราก็คือเมื่อเราทำบาปไปแล้วมันก็จะเป็นนิ ส, สัยติดมากับตัวเรา เวลาเราเคยพูดปดมดเท็ดเคยลักเล็กขโมยน้อยเราก็จะมักติดนิสัยนี้มาเราก็จะติดนิสัยการโกหกการพูดปดมดเท็ดการลักเล็กขโมยน้อยเวลาที่จะไม่พูดปดมดเท็ดไม่ลักเล็กขโมยน้อยก็จะรู้สึกว่ายากลําบากมันฝืนมันไม่ง่ายเหมือนกับการพูดปดมดเท็ดไม่ง่ายเหมือนกับการลักเล็กขโมยน้อย นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราทำบาปไปแล้วเช่นลักขโมยหรือพูดปดวศเท็จแล้วเราก็จะติดนิสัยทำให้มันง่ายต่อการกระทาในครั้งต่อไปและทำให้ยากต่อการเลิกกระทำนี่แหละคือผลที่จะตามมาจากการกระทำบาปของเราเช่นเดียวกับการกระทำความดีหรือทำบุญก็เช่นเดียวกันทำบุญก็มีผลแบบเดียวกับบาป เพียงแต่ว่าเปน็นในทางตรงกันข้ามคือเป็นผลดีเวลาทำดีในใจเราก็มีความสุขเวลาเราทำดีต่อผู้อื่นผู้อื่นย่อมมีความยินดีชื่นชมเราเวลาเห็นเราเดือดร้อนมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราและเวลาเราทำความดีมันก็จะเป็นนิสัยติดตัวของเราไป ทำให้เราทำความดีได้ง่ายทำความชั่วได้ยากนี่แหละคือเรื่องราวของการกระทำทั้งดีและชั่วไม่สามารถที่จะไปลบล้างชำระได้การทำความชั่วในวันนี้<ฮ>ก็ไม่สามารถไปลบล้างการกระทาผลของการกระทำความดีในอดีตได้การกระทำความดีในวันนี้ก็ไม่สามารถไปลบล้าง ผลของการกระทำความเชื่อในอดีตได้เพราะต้องแยกกันเป็นคนละอันกันต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่กันทำแล้วก็ต้องมีผลตามมาดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมาทถ้าเราไม่อยากที่จะรับผลของการกระทำบาปทำกรรมก็อยากไปคิดว่าเราทำบาปแล้วเดี๋ยวเราไปสารภาพบาปหรือเราไปทาบุญให้ทาน แล้วบากนั้นมันจะถูกลบล้างไปอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดบาปทำไปแล้วต้องมีวิบากกรรมตามมาต้องมีเวรมีกรรมตามมาบุญทำไปแล้วย่อมมีผลของบุญตามมาย่อมมีความสุขมีความเจริญตามมาต่างกรรมต่างวารรคกันดังนั้นชีวิตของเราจึงมีการผสมประเสริไปทั้งผลของบุญและผลของบาปบางคน มักจะคิดว่าตัวเองทำความดีอยู่เสมอแต่ทำไมจึงต้องรับผลไม่ดีต่างๆนานานั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาเราทำบาปเราจาไม่ได้แต่เวลาเราทำความดีนิดเดียว<ม>เราจะจาไปจนวันตายเลยแต่เวลาเราทำบาปแล้วเรามักจะลืมมันแต่พอผลของบาปปรากฏขึ้นมาเราก็ววยวายว่าเราอุสาทำความดีแทบเป็นแทบตายกับไม่ได้รับผลของความดีเลย เลยทําให้เราผ่านไปว่าต่อไปนี้ไม่ไปทําความดีให้มเสียเวลาลนะทำบาปให้ให้มันสนุกสนานให้ให้กับความต้องการของกิเลสตัณหาของเราดีกว่าเลยเกิเลยมีความเห็นผิดไปเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปนี่คือสิ่งที่เราน้าจะได้ยินเสมอในวงของผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดผู้ที่ไม่เคยทําความดี หรือถ้าทำความดีก็ทำเพียงแต่เล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วจะทำแต่บาปแต่กรรมนี่คือลักษณะความเห็นของคนเหล่านั้นเราต้องอย่าให้เขามีอิทธิพลมโน้ม้นาวใจของเราให้เป็นไปให้เห็นเป็นตามที่เขาเห็นกันเพราะจะฉุดลากเราไปสู่บาปสู่กรรมสู่นรกสู่อบายต่อไปถ้าเราต้องการความสุขความเจริญ สุขในชาตินี้และสุขในชาติต่อๆไปไปเกิดที่ดีเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นเทพเป็นพรหมเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อพระอริยสงสาวกที่สั่งสอนให้เราทําแต่ความดีละเว้นจากการกระทําชั่วและชําระจิตของเราให้ ส, ะ, สะอาดหมดจดด้วยการละความโลภความโกรธความหลง ละความอยากในการละความอยากมีอยากเป็นละความไม่อยากมีอยากเป็นทั้งหลายเสียแล้วชีวิตของเราหรือจิตใจของเรานั้นจะพัฒนาไปเรื่อยๆขึ้นสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงหลังนั้นถ้าเราอยากจะชำระก็ขอให้เราชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราอย่าไปชำระบาปบาปนั้นชำระไม่ได้ ถ้าไม่อยากมีถ้าไม่ไม่อยากจะรับผลของบาปก็อย่าไปทำบาปเสียตั้งแต่วันนี้ไปส่วนผลของบาปในอดีตนั้นเดี๋ยวมันก็ค่อยๆแสดงออกมาแล้วก็ค่อยๆหมดไปเหมือนกับการใช้หนี้เรามีหนี้ถ้าเราไม่ไปสร้างหนี้ใหม่หนี้เก่าเราคอยใช้ไปเรื่อยทีละเล็ ก, ท, ลลกทีละน้อยผ่อนไปเดือนเดือนละเล็กเดือนละน้อยเดี๋ยวหนี้เก่ามันก็หมด แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีหนี้เหลืออยู่แต่ถ้าเรายังไปกู้หนี้ยืมสินอยู่ mm hmm. เช่นไปไปทบาปทํากรรมอยู่ mm hmm. นี่ใหม่มันก็จะปรากฏขึ้นมากรรมกรรมใหม่วิเวณใหม่มันก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดกันถ้าเราไม่ต้องการจะให้มีบาปต่อไปไม่ต้องรับบาปไม่ต้องรับผลของบาปต่อไปเราก็ต้องละเว้นจากการกระทาบาป เียตั้งแต่วันนี้ทำแต่ความดีแล้วความดีนี่แหละจะเป็นเครื่องพยุงรักษาใจาของเราให้มีพลังให้มีสติมีปัญญาที่จะสามารถรับผลของบาปของกรรมได้โดยไม่หวั่นไหวโดยไม่มีความสะทกสะทานแต่อย่างใดเช่นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระ อ, อรหันต์นั้น ท่านสร้างคุณงามความดีไว้เต็มเตี่ยมจนกระทั่งท่านมีสติมีปัญญามีความเก่งกล้าหาญไม่มีความหวั่นไหวกับวิบา ก, กรรมต่างๆที่จะตามมาสนองตอบท่านเพราะใจของท่านนั้นได้หลุดพ้นแล้วจากกรรมทั้งหลายมีแต่กายเท่านั้นที่ยังหนีไม่พ้นหวงกรรม เกิดมาแล้วร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาต้องพลาดพลากจากของที่รักที่ที่ที่ชอบแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ไปทําให้จิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าหวั่นไหวเพราะจิตของท่านนั้นได้ตัดออกจากเรื่องเหล่านี้แล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเหมือนกับเกิดขึ้นกับคนอื่น ไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตของท่านท่านมองกายของท่านว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวของท่านเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายของท่านหรือเกิดขึ้นกับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆของท่านนั้นท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ติดว่าเป็นของของท่านแล้วท่านได้ตัดได้ปล่อยวางอุปทานจนหมดสิ้นแล้วดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของท่านหรือสมบัติอะไรของท่านที่ท่านมีอยู่ จะไม่มีความหวั่นไหวเพราะท่านมองว่ามันไม่ใช่เป็นของของท่านเหมือนกับญาติโยมเวลาญาติโยมเห็นสมบัติของคนอื่นเขาถูกทำลายเช่นบ้านเขาถูกไฟไหม้รถเขาไปคว่ำหรือถูกขโมยไปญาติที่นองของเขาถึงแก่ความตายไปท่านจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะว่าใจของท่านไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งนั้นๆนหรือในบุคคลนั้นๆว่าเป็นของของท่านเองของตัวของท่านเองไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรนั่นเป็นเพราะว่าจิตของท่านไม่ได้ไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของของเราแต่ในทางตรงกันข้ามร่างกายของท่านเองสมบัติของท่านเองญาติสนิทวิสยหาย พ่อแม่พี่น้องของท่านท่านก็ไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นของของท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเกิดการพัดพลาจากสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจทุกเพราะอะไรทุกเพราะไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของของเรานั่นเองทั้งๆที่ความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของของใครทั้งสิ้น ทุกอย่างนั้นเป็นของธรรมชาติล้วนๆมีแต่ดวงจิตนี้ที่มีความหลงมีอวิชชาครอบงมอยู่มายึดมาครอบครองในเบื้องต้นก็นมาครอบครองร่างกายนี้ในคันของแม่ของเราแล้วเมื่อออกมาจากท้องแล้วจเจริญเติบโตก็เริ่มสะสมหาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหาบุคคลสามีภรรยา หาบุญหากิดามาเป็นสมบัติของตนแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เวลาที่จะต้องพัดท่าจากสิ่งเหล่านี้หรือเวลาที่สิ่งเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามที่จิตของเราต้องการให้เป็นไปคือเราอยากจะให้สิ่งเหล่านี้สมบัติเหล่านี้บุคคลเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆแต่ เราไม่เข้าใจถึงหลักของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างของทุกบุคคลในโลกนี้ว่าอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นไตรลักษณ์ก็คือสามลักษณะได้แก่อริจังความไม่เที่ยงทุกความเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอนัตตาการปราศจากตัวตนนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ ล้วนมีสามลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือเป็นบุคคลต่างๆเช่นบิดามารดาผู้ปู่ยาตายายพี่น้องญาติสนิทมิสหายบุตรที่ดาร้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้จักปล่อยวางเราไม่เข้าใจถึงหลักของความเป็นอนิจจังอนัตตา เราจึงทุกข์แต่พระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกนั้นท่านไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพราะท่านเข้าใจในหลักของตรยลักษ์ในหลักของอนิจจังในหลักของอนัตตาท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดและมีดับเป็นธรรมดาท่านรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของตนเพราะไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้อยู่ให้เป็นตามที่ใจปรารถนาได้ เขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาร่างกายของเราเราไปบังคับไม่ได้อยากจะให้ร่างกายเราหยุดในขณะนี้เราตอนนี้กำลังสวยกำลังหนุ่มกำลังแน่นกำลังสาวไม่อยากจะปแก่ไม่อยากจะต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะต้องไปตายนี่เราไปห้ามไม่ได้เราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่หนังของเราต่อไปก็ต้องเหี่ยวย่นผมเผ้าของเราก็ต้องขาวหลังของเราก็ต้องข้อม ร่างกายของเราก็มีโรคภัยเบียดเบียนจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันเมื่อยมันขัดมันลำบากไปหมดและในที่สุดก็ต้องลง้มล ง, ลงนอนเตียงไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เพราะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างปกติและในที่สุดก็ต้องหมดลมหายใจตายไปนี่ก็คือธรรมชาติของ ร่างกายของเราและของผู้อื่นของทุกๆคนแม้กระทั่งร่างของเดลฉานก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีข้อยกเวน้นเหมือนกันหมดดังนั้นคนฉลาดแล้วจะต้องไม่กล้าไปยึดไปติดจะต้องมองให้เห็นความเป็นอนิจจงจะต้องมองเห็นความเป็นอนัตตาให้ได้ถ้าเห็นแล้วก็จะไม่กล้าไปยึดไปติดก็จะปล่อยวางก็จะอยู่ แบบเหมือนกับเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันไปเมื่อถึงเวลาต้องจากกันก็จากกันไปเป็นเรื่องธรรมดาเวลาอยู่ด้วยกันก็ให้มีความเมตตาต่อกันดูแลกันรักกันมีความกรุณาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ช่วยเหลือกันมีมุติตามีความยินดีในความสุขในความเจริญของผู้อื่นไม่อิจฉาฤษยาและมีอุเบกขาทําใจ ให้เป็นกลางเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดพลากจากกันหรือไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาได้ก็ต้องทำใจเป็นกลางคืออย่าไปเศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มล้องไห้ไม่มีความ <c oughs> รู้สึกโกรธแค้นเกลียดชังใครทั้งสิน้นถือว่าเป็นปกติของธรรมชาติถือเป็นเรื่องของกรรมของเวรใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว ก็ต้องรับผลของกรรมของเวรนั้นไปใครทำดีเขาก็ต้องรับผลของการกระทำความดีของเขาไปเราต้องรักษาใจของเราให้เป็นปกติคือต้องวางเฉยให้ได้ถ้าเราเห็นสิ่งที่เราไม่พอใจแล้วเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเช่นเวลาเราต้องสูญเสียคนที่เรารักคนที่เราชอบแล้วเราก็ต้องร้องโหยร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือบางครั้งถึงกับไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้จะต้องฆ่าตัวตายนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เพึงกับทําอย่างยิ่งเป็นความโง่เขลาเบ า, บาปัญญาความไม่เข้าใจในธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องมีการพลาดพลากจากกันมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้ความต้องการของเราได้ ดังนั้นเราอย่าไปอยากอย่าไปต้องการกับอะไรทั้งสิน้นเอาตามมีตามเกิดดีกว่ามีอย่างไรเป็นอย่างไรก็เอาอย่างนั้นขณะนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้มันเย็นอย่างนี้ก็โอเคถ้ามันร้อนก็โอเคไม่ต้องไปดินน่นรนอย่าไปอยากมันว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเราปล่อยให้เราอยากแล้วความอยากมันหลอกเรามันไม่มีความที่พอมันไม่มีที่สิ้นสุดความอยากมันอยากอะไรแล้ว พอมันได้อย่างนี้มามันก็อยากจะได้อย่างนั้นได้คนนี้มาอยู่ไปสักพักก็เบื่อแล้วอยากจะได้แบบนั้นเมื่อก่อนนี่ชอบผมสั้นอย่างนี้ชอบคนผมยาวเมื่อก่อนนี่ชอบคนเตี้ยหล่อไปอยากจะชอบคนสูงขึ้นมานี่ก็คือความอยากมันก็จะหลอกเลาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดมันเหมือนกันทั้งนั้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตายักทั้งนั้นมันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเวลาได้มาใหม่ๆก็มีความสุข แล้วเดี๋ยวสักรู่ก็เกิดความเบื่อหน่าย<ม>ก็เกิดความทุกข์แล้วหรือเราไปรักเขามากแต่เขาไม่รักเรานี่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันมีแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรที่สุขที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นสุขก็สุขแบบยาขมเคลือบน้ำตาลใหม่ๆก็หวานดีแต่พอน้าตาลที่เคลือบอยาขมนั้นมันละลายไปหมดก็มีเหลือแต่เหลืออยู่แต่ความขมขืน ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันชีวิตคู่เวลาอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็หวานแต่พออยู่ไปสักพักแล้วหวานนั้นมันก็หายไปเหลือแต่ความจืดชืดและต่อไปก็กลายเป็นขมขื่นขึ้นมาดังนั้นขอให้เราจงทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นคนฉลาดเราต้องต่อสู้กับความอยากพยายามอยากไปอยากกับไรเพราะความจริงนั้นเราสามารถอยู่ตามลำพังของเราได้ ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายก่ายกองเราก็อยู่ได้เราอยู่ได้ด้วยความสุขที่มากกว่าด้วยซ้าไปดูพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกเป็นตัวอย่างท่านไม่มีอะไรเลยท่านอยู่ของท่านตามลำพังเพียงแต่มีปัจจัยสี่คอยเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของท่านก็พอเพียงแล้ว แต่ใจของท่านนั่นเป็นใจที่มีปรมังสุขขังคือมีบรลมาสุขเพราะใจของท่านไม่ได้ไปยึดไปติดกับอะไร